เราเจริญธรรมทุกๆคนสดชื่นกันดีประมาณ 19 องศาประมาณนั้น 19 องศา 18 องศาเค้า 14 นะ เขาว่างั้นทางเตรียมพร้อมไว้หน้าทางหน้าลองดูเพื่อจะได้ไปเที่ยวเข 30 ธันวาคม 2557 วันขึ้น 10 ค่ํา อ่าเราก็มาเริ่มต้นสังคมทั้งหลายที่จะเป็นครูบาอาจารย์ก็ตามต่อด้วย แล้วมีเจตนานรมเลยนะคนเรานี่ๆเป็นธรรมชาติหรือเป็นความธรรมดาธรรมดาๆสังเกต ลองพยายามอ่านจิตของเรามันๆนะน้อยจะๆเป็นอุเบกขาไม่คิดอะไรไม่ปัดไม่ประสงค์จะมีอะไรมุ่งเจตนาหรือมโนสัญเจตนามโนจิตเนี่ยมันมีที่มุ่งสัญญะมันมีที่กําหนดเอ่อสัญญะคือการ เจตนามันกําหนดมุ่งหมายเจตนานี่มุ่งหมายเลยนะมุ่งหมาย การสร้างจิตที่ไม่นึกไม่คิดเพราะฉะนั้นวิธี มันละเอียดมากเลยละเอียดมากเลยจังอุเบกขาเนี่ยคนที่ให้จิตตัวเองหยุดเฉยๆ โดยวิธีเฉยๆเนี่ยโดยวิธีกําหนดมันให้มันหยุดๆนั่นเค้าเรียก กำหนดอยู่ที่ลมหายใจนะเอาพุทโธ เขาเรียนวิธีสะกดจิตทางด้านวิทยาศาสตร์หรือว่าทางด้านทั่วไปสากลความรู้นะเค้าทํานะวิธีฮิปโนไทสเนี่ยวิธีสะกดจิตเนี่ยเค้าทํานะใครก็ทําฝ่ายวิทยาศาสตร์ก็ทําฝ่ายทางไสยศาสตร์ก็ทํา ได้โดยวิธีสามัญๆวิธีวิธีทั่วไปๆวิธีทั่วไปนะวิธีทั่วไปไม่สันตาปนิตาอัตถกาวจรานิปุณาบัณฑิตเวทเนียาอะไรเลย สัตยาประจําที่อื่นอาตมาไม่รู้ 9 เนี่ยสูตรแรกเลยเนี่ย 9 ที่ เป็นธรรมะที่คัมพีราทุตสะสาทุรณุโพธาสันตาปนิตาอัตตกาวจรานิปปุนาบันดิตตะเวทนียาลึกซึ้งลึกล้ําคัมพีราทุตสะมันแหม ตรัสรู้เลยนะโพธะเนี่ยไม่ใช่ความรู้สามัญโพธะโโพธิเนี่ยสงบสงบก็สงบได้ยาก สงบอย่างมีอาการเคลื่อนไหวดีเต็มที่เลย กิเลสไม่มีในจิตสงบจริงๆปราบกิเลสได้เพราะฉะนั้นผู้ใดเริ่ม ครบทั้งสติมันโตนี่เรียก 32 ของเรานะมีทั้งองค์ปกติ เต็มที่แล้วก็มีสติออกมาทํางานทั้งข้างนอกข้างใน <c oughs> ทางด้านนามต่ําทั้งหมดสงบขณะที่ภายนอกก็ทํางานจิตรับวิถีเอ่อเป็นคน ลงเราเกิดมีกิเลสกำมันนะก็เกิดพอเราปฏิบัติสันตาซึ่งผมจิตเราไม่มีกิเลส เป็นความคร่องแคล่วของเวทนาสัญญาสังขารคร่องหมดเลยวิญญาณตื่นมี ไม่ใช่วิญญาณที่มีแต่สัญญาอยู่ในภพอยู่ในภวังค์เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นความสงบนี้จึงเป็นความสงบที่ไม่ 8 ข้อที่สองที่ 2 นะไม่ครบพร้อมตามที่บอกว่าทั้งมีความเห็นอยู่ข้างนอกมีรูปข้างนอกพร้อมพร้อมและเราพร้อม อ่านได้อ่านถึงนั่นคือเป็น หรือมันดับตายไปฐาวรเลยนั่นสงบมันจึงเป็นความ พอมันลึกล้ําลึกซึ้งน่ะเป็นนามธรรมก็ไปเป็นปรมัตถธรรมด้วยเป็นสมมุติธรรมด้วยมีสัจจะทั้งข้างนอกเรียกว่าสมมุติสัจจะมีสัจจะทั้งข้างในเรียกว่าปรมัตถสัจจะคือความจริงมีความจริงครบ ชัดขึ้นเอาบัญจัตประพุทธเจ้าเอาสมุติสัจจะเอาปรมัตถสัจจะสัจจะแปลว่าความจริงเป็นความจริงที่ครบทั้งนอกและในครบแบบปิโมก 8 ข้อที่ 2 มีทั้งปหิตถามีทั้ง จิตใจของเราเนี่ยฝึกธรรมเนรมณสิกาลเพราะผู้ ก็ไม่สามารถที่จะทํางานเข้าไปถึงวิมุตติให้นิโรธนะต่างกับ มีรู้มุตตินี่แปลว่าความรู้มุตติหรือมติเนี่ยเป็นความรู้นะเป็น มีความเข้าใจความเข้าใจแล้วก็ทําให้มัน เป็นการทำอุเบกขาอย่างชนิดที่มีเนกขัมมะเนกขัมมะนี่เป็นภาษาเฉพาะศาสนาพุทธเป็นการออกจากโลกจากกิเลสจากโลกิยะจากกามจากพยาบาทหลุดพ้นออกไปหมดหรือดับ ทำให้ดับ 2 เราไม่ได้อยู่ในวงจรของกิเลสนะสัมผัสสภาวะไม่ดูดไม่ซึมนะไม่ดูดอย่าง Etzmosys indicates and he can go find it because the sympath It takes the end over. He can ter him a complete. He wants to look who is keluarga by theiousness. He can go on. He doesn't want his mon curs CDU, Joe. He wants his ma have a wallet. He becomes he has one. He is shuttle, he leaves. He must transport them to เข้ามาล่วงล่วงล้ำล่วงล้ำอธิปไตยโดยอธิปไตยนี่มีสติรู้อยู่ตลอดเวลาถ้าตื่นอยู่เต็มไม่มีเข้าได้แต่ถ้านอนหลับสติไม่ อิเลตเข้าไม่ได้เลยไม่ซึมไม่ซับ <coughs> อันเป็นภายในเท่านั้นย่อมคงอาศัยโลกิอาศัยเคหะนะอันนี้ นะคําว่าเกยหะนี่เป็นแบบชาวโลกนะถ้าเปอว่าเป็นธรรมะ เป็นเรือนใจหรือเป็นเรือนกายก็แล้วแต่ที่ว่างจากกิเลสนั่นคือเรือนว่าง ความดําดิบพรานในเรือนได้ได้สนิทจิตของเราแน่น่ะในภายในของ เชิงปัญญาก็รู้แววไวเชิงเจโตก็ปรับได้ไปกับเขาได้ง่ายน่ะไม่ใช่ว่าไปด้วยไม่มีปัญญาควบคุมจะอนุโลมปฏิโลมกับเขาอย่างปัญญาควบคุมเห็นควรมีสัปปุริสธรรม 7 มีมหาประเทศ 4 กํากับควบคุมอยู่ในการเอ่อ หรือมนสิกะโรติเก่งในการทําใจในใจ เก่งมีเอกเอกคตะจิตนะมี 7 เอกทําเอกผุดขึ้นแม้ในท่านเรียกว่าอะไรเอกโกธิหรืออะไรเนี่ยพระบดีดูมันว่าอย่างนั้นนะเอกโกธิทําเอกผุดขึ้น อ่าจิตมี 1 ซึ่งเราสามารถคุมได้น่ะไม่มีเพื่อน 2 จึงเรียกว่าเป็นผู้ที่แตกเดียวไม่ใช่บริษัทใหญ่ รถปฏิกรรมโลกีย์โอ้โหหยาบจัดจ้านทางเอ่อวิทยาศาสตร์ทางวิทยุทางทางอะไรและทางเน็ตทางอะไรโอ้เยอะแยะมากมายวุ่นวายไปหมดทุกวันเนี้ย มันเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาแทน เป็นผิดเป็นภัยเยอะนะคนถ้าเปรียบว่าไม่ได้ศึกษาจิตวิญญาณที่จะๆทาง เป็นมันมีจริงงานทางอุตตุกมันมีจริงนะแล้วมันก็มีผลเป็นปัจจัย รู้จักมหาภูตรูป 4 ข้างนอกอย่างผู้อยู่เหนือเป็นอุตตรจิตนะเป็นจิตอยู่เหนือเป็นจิตที่มีปัญญาเหนืออยู่เหนือมันจริงๆแล้วก็มีสติเต็ม มีสติเป็นอธิปไตยเป็นอำนาจใหญ่ที่อยู่เหนือของกระแสแม้แต่กระแสของๆเป็นกาย ท่าทางนั้นท่าทางนี้อาตมาพูดมาถึงตรงคือดัดโอ้โหใครฟังเข้าใจมันแสดงกิริยากระดุกกระดิกอย่างงอนอย่าง เขาเรียกว่าแอคติ้งนี่แหละจริงๆมันไม่ใช่อาร์ตนะมันดัดจริตลามกมันแอคลามกและแอคเป็นเชิงกามแอคยั่วๆในคนผี ขออภัยต้องพูดตรงๆอาตมาไม่ได้ชังไม่ได้เกลียดดาราดาเรอะไรหรอกนะไปแอคอะไรไปฝึก สร้างความเป็นผีความเป็นปีศาจสร้างความเป็นตัวยั่วยวนเป็นตัว เป็นอธิปไตยนะเป็นอำนาจใหญ่เป็นพลังใหญ่ในจิตเต็มแข็งแรงเป็นสติเออสติเป็นเอกเป็นอธิปไตยมีอธิปไตยของมี อ่าที่คนอื่นเค้ารู้กันเรียกว่าสมมุติซึ่งเป็นความจริงที่ครบทั้งนอกและในทั้งที่บรรดามีในโลกนี้ ที่จะร่วมกับเขาได้อย่างนี้เป็นรายละเอียดของจิตที่มีประสิทธิภาพ นะไม่ได้เป็นธาตุเลยไม่ได้เป็นธาตุ ดูแลควบคุมจิตแม่จิตชั้นที่ 3 จิตไกลสํานึกนะ เลวไร้จิตอ่อนแอจิตตกเป็นธาตุจุเป็นไปตามเค้า เดี๋ยวมูลสูตร 10 ก็เอาขึ้นเอาตัวมูลสูตร 10 อยู่บนจอนะ 6 ที่ 7 ที่ 8 8 วิมุตตินะ ซึ่งก็คือจุดหมายแท้ๆของศาสนาพุทธตัวนี้แหละวิมุตติจริง 2 ตัวนะ 2 ตัวสะกดนะวิมุตตินะตเต่าแล้ว 2 ตัวพอมาเป็นไทย เป็น essence นะเป็นแก่นที่ core core เป็นแก่นเป็นสาระแท้เนื้อเป็นกลางแก่น นู่นนั่นล่ะถึงแก่นแก่นที่จะท่านตัดไว้ใน Best But who doesn't know one of themselves mouldy, I have to know that You are gonna take another connection. D Kollin long statistically. But I went slowly to look forward to the tide but no one of them would be aguaid. I placed the a chief, the person stopped suddenly at a hospital, the sourceukes flower- who were dying, the pattern times theầnствujina there would have quite come up these that someone just แล้วก็ยังไม่เข้าไปถึงแก่น สมาธิก็ยังมิจฉาสมาธิกันนะเป็นสมาธิโลกีย์ส่วนใหญ่ก็ได้แค่นั้นลึก ผู้ที่สามารถเลยกับพี่ไปถึงแก่นถึงแก่นเป็นสาระนั่นคือได้วิมุตติเพราะมันยากที่จะเข้าถึงวิมุตติถึงแก่นนะซึ่งมันจะสัมมาหมดเป็นแก่นที่วิมุตติสัมมาเป็นสัมมา ภาษานี่ไปแต่ดกหมดท่องจํา เอาตั้งรับตาสะกดจิตหรือว่าสะกดจิตเป็นสมาธิลืมตากดสะกดจิตข้างนอกเอ <c oughs> 16 ข้อ 230 นะ, อ่านมาเนี่ยโอ้อัตมาสับซึ้ง 16 ข้อ 230 เนี่ยกายคือจิตคือ 16 ข้อ 230 กายกายังกายะเนี่ยหมายจิตมโนวิญญาณ ชัดเจนเลยท่านก็แปลมาดีแปลมาตรงนะท่านแปลมาก็ตรงในปฏิปทิกเพราะสมมุติมี เป็นปหิตธาเป็นอัจจตาอัจจตังครบทั้งนอกและในแล้วสามารถหยั่ง East expelled mi I can, to achieve my מקulidi qin human that might have become this... When I say all of tradition is choice for bad truth. eday I can imagine that in the Terazai, could you imagine yourself again inside a Kashактер? Am I just ambitious? Today, you can imagine yourself that persona persona cannot to die if you are actually เป็นอมตะบุคคลเป็นบุคคลอมตะไม่ใช่ของหลอกไม่ใช่ เพราะว่าเราทําบุญเป็นว่าเราทําบุญเป็นเราชําระกิเลสเป็นอาญจิตเป็นรู้นอกรู้ในรู้กายรู้จิตน่ะทําบุญตรงชําระกิเลส ประหัตประหารกิเลสประหัตประหารบาปเราก็ทําได้จบหมดจบสิ้นบุญสิ้นปุญญะปาปะปริคคีโนปุญญะปาปะ เป็นคนชินบุญชินบาปนะตามที่พระพุทธเจ้าท่านตัดถึงพระองค์เองท่านก็ตัดว่าท่าน สิ้นบุญสิ้นบาปได้เป็นบุคคลอมตะเป็นพูดถึงถึงแก่นนะถึงสาระเป็นวิมุตติได้วิมุตติแล้วนะท่านใช้ โอกขะเนี่ยอกขะทะเนี่ยนะท่านแปลว่าจุ่มลงแช่ลงไปอ่าจุ่มลงไปจมลงไปก็ได้จมดิ่งเข้าไปหา ลึกเข้าไปถึงจิตตัวเองได้มีพลังรู้พลังปัญญาสามารถที่จะหยั่งรู้ จมลงไปกับอมตะเลยหยั่งลงไปในอมตะ <c oughs> จิตของเราเนี่ยจมลงไปในนิพพานหรือว่าแช่ลงไปในนิพพานเอ่อ พระพุทธเจ้าท่านตรัสในพระตปิณกมูลสูตรนะ เป็นเหตุเกิด, เป็นการประชุมลงหรือเป็นที่ประชุมลงเป็นการประชุมลงหรือเป็นที่ประชุมลงเป็นประมุขเป็นใหญ่เป็นยิ่ง ภวปริวะสัมภวะหรือปภวะเป็นเหตุเกิดเหตุเกิดคำนี้ 4 ท่านใช้คำว่าสมุทไทยเลยนะมี มีอะไรเป็นประมุขนะมุขะประมุขะมีอะไรเป็นใหญ่อธิปไตยนะอาตมาพูดผ่านไปเมื่อกี้แล้วมีอะไรเป็นยิ่งอุตตระมีปัญญาเป็นยิ่งนะผ่านไปเป็นยิ่ง มีอะไรเป็นที่ยั่งโหนมีอมตะด้วยความเป็นว่า ดูกรอะบุโสทั้งหลายธรรมทั้งปวงมีความ ตัวนี้สําคัญมนสิกาจะมนะมีมนสิกาเป็นแดนเกิดเป็นที่เกิดมนสิเป็นตรงนั้นแหละตรงไหนที่คุณสามารถมีญาณอย่างรู้ได้ว่าเป็นหทัยยรูปเป็นรูป นอกมีในมีอะไรอยู่ตรงไหนหรอกไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีรูปร่างไป มีผัสสะเป็นเหตุเกิดนะมีผัสสะเป็นสมุทัย สมุทัยตนต้องผัสสะก่อนเป็นเหตุเป็นสมุทัยปฏิบัติไม่มีผัสสะเป็นเหตุไม่ๆปฏิบัติทางปรมัตถ์แล้วจึงจะเป็น เป็นรวมเงินลงไปประชุมลงรวมกันลงไปประชุมลงไปพอสัมผัสแล้วเป็นเวทนาเป็นอารมณ์เร็วมันคือสังขารเพราะสังขารกับเวทนานี่มันเลยหรือวิญญาณก็ตัวเดียวกันหรือแม้นามรูปก็ตัว ติดกันต่อกันแล้วก็ทํางานร่วมกันทันทีมีอายตนะถ้าไม่มีผัสสะไม่มีอายตนะไม่มีนามรูปลึกๆเป็นสัญญานั้นจาก กับธัมมายตนะมีอายตนะใน ไอ้ไร้สํานึกเลยแต่ผู้ที่หยั่งรู้มีพลังจิตอ่านลือตามไปถึงตัวนี้ได้ ที่มาเป็นองค์ฆาภยพของร่างเป 32 เป็นสุระภาโวมีสติมันโตเนี่ย ในที่ไหนไหนก็ทั้งสมมุติสัจจะและปรมัตถสัจจะอันครบความจริง 32 นี้เรียกว่าโลกโลกนี้อัน นั่นคือความศอกพร้อมสัญญาและ ไม่ใช่เป็นแค่ปัจเจกะพุทธะถ้าปัจเจกะพุทธะ แม้ว่าพระโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ได้สัมมาสัมโพธิญาณองค์ที่จะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณตามมาด้วยนี่เป็นความรู้ในระดับเป็นตำรานะอาตมายังเข้า ท่านมีความรู้และสามารถจะประกาศศาสนาพุทธได้แต่ท่านยังไม่ได้ออกมาประกาศต่อ ไม่ออกมาประกาศออกมาประกาศนั่นแหละคือปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้าสุดเมื่อท่านไม่ออกประกาศศาสนาให้เป็นที่รู้ตามสมมุติสัจจะ ไม่ได้ประกาศศาสนาเป็นของตนตนได้ประกาศศาสนาท่านเองท่านเป็นผู้ที่มีเอ่อการประกาศสู่สมมุติสัจจะ มันได้ไม่มีหรอกพระพุทธเจ้าที่เป็นปัจเจกสัมมาสัมพุทธะสอนใครไม่ได้ขณะที่มันยังไม่ได้เป็นสัมมาอะไรเลยนะเจ้าๆสอนอยู่ทุกวันนี้นี่ทําให้ศาสนาเสื่อมอีกเต็มไปหมดเต็มเลยศาสนาพุทธในวงการศาสนาพุทธนี่ไม่ได้มีความรู้เป็นสมาธิทิฐิอะไรเลยจะสอนจ่อยๆเต็มไปหมดเลยเก่งด้วยนะบางคนสอนถูกด้วยนะจําแม่นไม่เพี้ยนกําหนดถูกด้วยสอนถูกด้วย ก็เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นไอ้การสอนเป็นธรรมกะถึกนี่จะต้องสามารถ ตนเองยังไม่ได้โสดาปัตติมรรคยังไม่ครบรู้สมบูรณ์เลยอ่ะเสร็จ ปติหาณเทศนาปติหาณคือพุทธนี่คือเวรานุเวนเวรแท้ๆของผู้นั้นผู้นั้น แต่ไม่ได้ประกาศเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมีคุณสมบัติสัมมาสัมโพธิญาณส่วนตน ไข่มันยังไม่ถูกตัดยังไม่ตกมาแตก เป็นที่สุดชั้นเดียวกันท่านก็ไม่ได้สร้างศาสนาอย่างนี้ก็มี เปิดตัวเองสอนไม่สร้างศาสนาแม้ท่านจะอุบัติมีสติมันโตมีสุรภาโวสติมันโต ถึงเราไม่รู้ว่าท่านเป็นใครท่านช่วยได้เท่าที่ท่านช่วยอันนี้ก็เป็นสิ่งลึกซึ้งเหมือนกับที่เขาพูดถึงพระอวโลกิเตศวนท่านก็มี ร้ายอะไรในสังคมที่มันหลงผิดไปหมดเลยมันหลงเทวดา นี่ประกาศตนน่ะเนี่ยถ้าเทพบุตรตะมานรู้ตัวเนี่ย เมื่อเรียนรู้ธรรมะบวชเจ้าให้สมาธิทิแล้วก็ คงจะหมดงานนี้ทั้งงานนี่ดีก็รับรอง เป็นผู้ที่รู้จักความเกิดความดับผู้ที่รู้จักความเกิดเพราะงั้นจะเป็นยังไงจะเกิดจะบอกเราจะตายอีก 3 เดือนข้างหน้า 15 ค่ําเดือน 6 เราจะตาย กำหนดได้แม้แต่พระอรหันต์บางองค์ที่ท่านจะกำหนด กำหนดได้กล้าขึ้นๆก็กำหนดวันตายอ่ายังอาตมานี่ขอตัววันตายเรายังกำหนดแต่วันเกิดยังไม่เอาการกำหนดวันตายมาให้มันว่า มีสติมีธรรมสมาธิเอกุเปขามีคุณสมบัติของธาตุจิต 7, 7 ตัวนี้จริงๆนะมีสติรู้ว่าเหตุปัจจัยองค์ประกอบ คนจะอยุยืนที่อาตมาแจกมาเป็น 8 ออเนี่ยนะอีก 6 ออนั้นแล้วก็ทําร่วมสําหรับอาตมาก็รักษาอิทธิบาทก็อารมณ์ของอาตมาส่วนข้าง เอ่ออย่างปัจจาสมนะนี่ก็จะช่วยดูแลถึงเวลาแล้วนะเอ่อจ้องออกกําลังกายหอบเสือหอบอะไร เสร็จแล้วก็อาตมาก็ดื้อลงเพลินไปก็ชวนมากกับงานท่านก็ไม่กล้ามาลุกล้ํางานอาตมาที่ทําอยู่เพราะอาตมาไม่ได้ไปทํางานชั่วอาตมาไม่ได้ไปทํางานบอมเมาอาตมาก็ทํางาน ท่านก็ไม่ละลาภละลุกให้อาตมาสร้างประโยชน์อันนั้นขึ้นก็ผ่านเวลาไม่ได้โยคะอะไรนี้เป็นต้นก็เป็นธรรมดาต้องพยายามไปอาตมาก็ดูประมาณอย่าให้มันขาดมากอย่าให้มันเกินเอ่อให้มันสมดุลกระทําไปอยู่นะนี่ก็เป็น เพราะฉะนั้นใครบอกว่าท่องโพชฌงค์ 7 เนี่ยให้ฟังแล้วจะ ทำให้มันตรงนะไม่ว่าจะเป็นอาหารอากาศออกกําลังกายเอ็นกายๆขอยืนๆอาตมา พยายามจะเป็นการเรียนเป็นการสอนทั้งหมอทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งแพทย์การแพทย์เค้าก็หา มันถึงขนาดเป็นมนุษย์พืชแล้วก็ไม่ยอมการที่เป็นมนุษย์พืชแล้วก็ยังไม่ยอมตายนั้นมันเป็นความโง่ชนิดนึงเช่นมนุษย์พืชที่ทางวิทยาศาสตร์ทางหมอทุกคนนี้ นิยามแล้วมันฟื้นขึ้นมาเป็นจิตนิยามไม่ได้แล้วๆคุณถอดเครื่อง ฟังความนี้อาตมาพูดจริงแต่คุณต้องแน่ เขาเก่งกว่าเพราะเรารู้อะไรที่จริงสามารถรู้สรุปแล้วคุณถอดเครื่องคุณอะไรต่ออะไรแล้วท่านผู้นี้ก็ตายไม่ได้แล้ว มนุษย์ผู้นั้นก็ไม่รู้สึกไม่เข้าใจไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําให้ตายไม่มีพยาบาทไม่ นี่คือสัจจะของศาสนาพุทธอาตมาไม่ได้ คนเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องอะไรพูดกันคนละอุตุนิยามปิชชนิยามจิตนิยามกัมมนิยามจนกระทั่งถึงธัมมนิยามนะชัดรู้เข้าใจความเกิดเกิดเกิดอยู่ มีอารัมภปติอารัมภปตินะปรมนิคมธาตุ ออกมาอีกเป็น 4 ปรกัมมธาตุจากบรกัมมธาตุคือเป็นอื่นน่ะ 4 จากเป็น 4 ก็มามีฐานธาตุ 3 เท่า 1 6 พอ 6 เกิด 7 เรียกว่า บังอุปกัมมธาตุหรือเลขที่ 7 นี่จึงเป็น 7 เนี่ย 0 7 นี่ 1 2 3 4 5 6 แล้วก็ 7 เนี่ย 9 ถ้า 10 ก็สมบูรณ์แบบ 10 ของ 0 เพราะ 10 หรือ 0 อันเดียวกันสมบูรณ์แบบๆซ้อนซ้อนๆกัน นี่คือสิ่งที่เป็นจริงของที่อาตมาสามารถที่จะเอามา นะไม่มีใครพูดหรอกอาตมานี่แหละจะเป็นผู้พูดไอ้สิ่งเหล่านี้แล้วก็ ถ้ารู้จักกิเลสของตัวเองได้มีวิปัสสนาญาณญาณอย่างรู้สัมผัสสิ่งที่จริงทั้ง จัดการกระบวนการของจิตขบวนการของจิตน่ะเรียกว่าอภิสังขาร 3 มีบุญญาภิสังขารเรียกว่าจัดการชําระ กับมีอภิสังขาร 3 เพราะคนที่ 3 นี้ยังไม่ถูกไม่ตรงว่าอปุญยะนี่ หลุดพ้นจากรอบต่ําไม่เข้าไปรอบต่ําอีกแล้วไม่กลับผู้อปุญญะไม่ต้องกําจัดกิเลสหรือสมุทัยมันอีก มีบาปอย่างเก่าวนไปหาบาปตัวเก่าไม่ใช่บวชพ้นใหม่ก็ มีแต่จะทําซ้ําภาวนาภาโหลิกรรมังหรืออนุรักษณาประทานรักษาผลหรืออเนนชาภิสังขาร 3 กาละ 108 36 36 36, 36 ให้มันแข็งแรงจนกระทั่งมั่น จริงๆเลยเสาที่ 3 คืออนาคตเนี่ยต้องเสร็จเสาๆสามารถเอาเสาจึงสมบูรณ์อยู่ด้วยปัจจุบันศูนย์ทุกปัจจุบันในโลกโลกีนี้จะมา ศูนย์ได้หมดกิเลสไม่มีทางเปลี่ยนแปลงอสังหิรังไม่มีกลับกลอกอสังคุปปังนิจังทุกวังสัสสตังแน่มั่นอ่าคง คุณภาพคุณสมบัติก็สูงอย่างที่อาตมาว่าผู้ทําใจในใจหรือ ก็ดีฉันทะในจุดใดๆก็ตามที่ฉันทะเป็นมูลเค้าหมายความว่าอะไร ตั้งแต่สมัยเป็นคราวว่าทํางานอยู่ก็มีคุณช่อง 4 ตั้งแต่คราวดําเนี่ยธรรมจะมานิพพานจะเอาจริงนิพพานก็รู้ คุณผมจะสุขๆทุกๆอยู่กับโลกนี่แหละผมไม่เอาหรอกแกเป็นนักศึกษานะคุณจำนงแกเป็นลอนเนทแมนนะเป็นผู้คนควศึกษา ในประเทศไทยเป็นคนตัวจักรใหญ่ในฝ่าย ช่อง 9 นี่คือช่อง 4 เก่านะขออภัยเป็น อสท. เป็นช่อง 9 นี่เล็กไปหมดแล้วแต่ก่อนนี้ช่อง 4 ตั้งแต่สมัยโบราณสมัยแรกยังมีสารคดีมีสิ่ง ใช้ศัพท์เป็นสื่อๆอ่าขอเอาไปขอแก้สารเร็วเมื่อกี้นี้มันมอมเมาเป็นสื่อที่ป้อนแต่เรื่องเลวไหลเลวร้ายเอากิเลสมันคนมันชอบอะไรกิเลส ข่าวดาราข่าวๆนั้นน่ะมันเป็นอบายมกๆไม่มีเลยมีสาระโลกๆบ้างมีนิดหน่อยๆยิ่งสาระของธรรมะ ก็มันก็ก็น่าเห็นใจเพราะว่าเค้าไม่รู้เค้าคุณยินดีฉันทะคุณยินดีในคุณจํานงมาที่ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วล่ะน่ะจิตยินดีงั้นจริงๆอย่างคุณจํานงพูดออกมา นิปาลกโลกุตระแลอาจจะเข้าใจตื้นๆขออภัยนะว่าคุณจําหนงว่าตื้นๆเข้า มีปรมัตถสัจจะอยู่พร้อมทั้งสัจจะภายนอกภายในทรัพย์สัจจะของโลกีย์สัจจะของโลกุตระอยู่เนื้อมันหลุดพ้นของมันขึ้น ตัวยังจริงใจเอื้อๆนะจิตธรรมะที่เป็นแบบพุทธอย่างสมาธิทิอย่างถูกต้องสรุปแล้วจิตยิน คุณชอบโลกุตระ 49 ชอบโลกียะ 51 คุณก็ 60% ชอบ 70% มี 30% คุณก็อยู่นู่นน่ะรอบ ไอ้ที่จะสัมผัสแตะแตะลบไม่ๆมีฉันทะมีความยินดียินดีด้วยถ้าก็ 1 ปัญญา 2 ศรัทธาบางคนศรัทธาดีโอ้โหเห็นนิดหน่อยโอ้ต้อง ปัญญาพอจึงเข้ามาก็มีบางคนปัญญาโอ้โหเห็นดีจังเลยศรัทธาน้อยว่าปัญญาเฟื่องเข้ามาแต่ศรัทธาเพราะศรัทธาก็ดี แล้วจะเข้ามาจะเข้ามาเพราะสัจจะพวกนี้อาตมาจึงไม่เรียกร้อง มันได้มีความคิดกับคุณอาตมาไม่ได้รอรองไม่ได้อ่อยไม่คุณไปคุณอยู่ไม่ได้ขอคืนไม่ <laughs> ต้องเอาของโลกๆมาประกอบมังละพวกๆธรรมะก็เหมือนกันนะนุเปลเอาสัญญายิงสัญญาให้อย่างนั้นอย่างนี้คุณ จึงเป็นทั้งแสงอรุณเป็นทั้งอิทธิบาทตัวต้นฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาหรือฉันทะในหมวดอื่นๆที่อาตมายังระลึกไม่ทันตอน ก็ได้ก็เร็วแต่ถ้าไม่ก็ช้าเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นคนจะมีศรัทธา แลโดยเฉพาะมีธรรมะสปายะเป็นสปายะ 4 เป็นความเจริญเป 4 เนี่ยนะมีองค์ประกอบดีสหายดีสิ่งแวดล้อมอะไรทุกอย่างครบนี่ นะสังคปะวาจากรรมตาอาชีวะพาทําลาเพนะลาพังนิชชิคิงสนตาทนการลาบแลกลาบ right. <anctaromasam> ที่นี่นะเรียกร้องมาประมาณว่าจริงๆสัก 1,000 คนบ้านราดเนี่ยโอ้โหจะไปดิวเลย 1 ใน 1,000 อยู่ 1 ใน 1 ใน 1,000 ไม่ คนร้องยังไม่มาเลยสินสร้างยังไม่มาว่าจะคนร้องคนแต่งสําคัญทั้ง ถ้าฉันทะไม่มาเป็นตัวต้นวิริยะจิตตะวิมังสาก็ๆนี่หรือหรือจิตจิตมันเอาจิตทั้งจิตเลยมัน อภาณฉันทะไปมนสิกาลเป็นแดนเกิดมนสิกาลเป็นสัมภวะเป็นแดนเกิดเพราะคุณจะต้องอ่านอ่านแดนเกิดนี้เป็น แสงก็มีอยู่กับที่เสียงก็มีอยู่กับที่นะความๆ เอามาใช้ได้ผู้ที่สามารถควบคุมได้เอามาใช้ได้แล้วก็จัดการมนสิกโรติหรือมนสิกการจัดการมันผู้ที่สามารถควบคุม อัตัยรูปของพลังงานทางไฟฟ้าจิตวิญญาณก็ และนี่คือนามธรรมโยกย้ายได้ตน ความร้อนแสงเสียงไม่เหล็กไฟฟ้าร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าแสงเสียงแม่เหล็กไฟ อาตมาทํามือเป็นรูปแต่นามมาจริงๆมันไม่มีหรอกมันไม่มีความร้อนแสงเสียงไม่ฟ้ามีแต่อาการลิงขะนิมิตแล้วคุณก็ไปสร้างนิมิตจับให้ได้จึงจะ มีครบ 5 มีครบทั้งโคจรรูปอีก 5 เอ่อ 54 6 ซะ เป็นตัวจิตวิญญาณตัว 6 ยกไว้เลยเกิดพอกระทบสัมผัสกันทํางานร่วมกันปุ๊บ มีวิญญาณเข้าร่วมเป็นอันที่ 3 นะมีประสาทในการดําเนินการภายนอกสัมผัสเป็น อิตินสีหรือถ้าทําได้เป็นเอกก็เป็นปุริสสินสีนะเป็นอุตตมะปุรุษะปุริสสะอุตตมะ คุณก็ยังไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นคนที่ทํายังไม่ได้ทั้งผู้คนที่ มันยังไม่ตายนะมันยังมีชีวิตชีวะนะชีวิตตรูปรู้ว่ารูปของมันไม่ตายแล้วก็อ่าน เทเลภาษาแทนนั้นนะว่าแล้วนะเพราะธาตุอย่างลักษณะเอกคุณยังทําไม่ได้ปุถุชนยังๆอริยะโสดาๆก็ คุณก็จะต้องเรียนรู้ชีวิตหรืออินทรีย์ของมันพลังของมันพลังของชีวิตชีวิตอะไรชีวิตของสัตว์ตั้งแต่สัตว์นรกสัตว์เทวดาสมมุติเป็นอุปติเทพ คุณต้องอ่านของตนเองให้ออกแล้วจับให้มั่นแล้วปฏิบัติตรงนั้นได้ก็บริโภคโภชนาตั้ง เนี่ยเป็นไฟฟ้าเป็นคอมพิวเตอร์เป็นแป้นต้าเป็นเครื่องใช้เสื้อผ้าหน้าแผลวิญญาณวิญญาณ เวทนาสัญญาสังขารนี่ให้ชัดเพราะฉะนั้นในตัวที่เสมอไม่มีผัสสะไม่ อยู่สังขารที่แยก 16 ข้อข้อ 14 ท่านแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามนามมี 3 นะ ผัสสะเป็นข้อที่ 3 ต้องมีผัสสะในนามธรรมผัสสะแล้วจึงจะเกิดธัมมผัสสะไม่มีผัสสะ อย่างคุณนั่งฟังอาตมาจดจ้องเสียงข้างนอกหลายอย่างบางทีมันคุณไม่ได้ยินนะไม่ มันมีพัสสะพัสสะเป็นสมุทัยเพราะฉะนั้นที่อาตมาย้ำว่าสมุทัยอันนี้นี่เป็นสมุทัยในการปฏิบัติองค์ใหญ่ไม่ใช่ 5 เนี้ยคุณมนสิกาน เขาเป็นนั่งตบตาเอ่อมนสิการในพบในภวังค์ไม่มีภัสสะข้างนอกนั่นคือทําแต่ความจํามีแต่สัญญาไม่มีความจริงเพราะความจริงถึงครบต้องสมมุติ pues ตาม 230 เล่ม 16 แหมจําดีจังตรงนี้เล 14 มหาจตารีสกสูตรข้อ 250 อ่า 202 281 นี่จําได้ 16 ข้อ 230 นี่จําแม่นอีกอันนึงแล้ว เป็นร่างไม่มีจิตร่วมด้วยจบจบเพนะไม่ใช่จบจิตจบเพเลยไม่มีทางมนุษย์ เป็นโครชาติไปกับพุทธเลยบวชเป็นไทยเสร็จคําว่ากายนะนี่ท่านบอกกายะเนี่ยมันจิตมโนวิญญาณนะเอ้าสิอ่าอาตมา สวยไม่จบนะไม่จบนะซวยแปลว่าอะไรแปลเองนะแปลเองนะสรุป กำลังของจิตพลังงานเป็นชีวิตเป็นอินทรีย์เป็นพละ 5 พละ 5 เนี่ยพละนี่เป็นตัวผลอินทรีย์นี่เป็นตัวมรรคนะพละ อิ... เอ่อเวทนาเอ่อปะชุมลงที่เวทนาตัวนี้แหละ อัตมาก็เออฟื้นความจําได้จากพระเทพปิดกนั้นเองระลึกชาติไปยัง ปดดาอันเดียวของพระเจ้าก็เลยเอามาใช้อธิบาย 108 ที่อาตมาสาธยายมา 2 ก็ดี 3 ก็ดี 5 ก็ดี 6 ก็ดี 18 ก็ดีดีเวทนา 36 ก็ดีดีเวทนา 108 ก็ดีดีนะ ในแล้วเอาไปปฏิบัติความรู้สึกก่อนเป็นทิฏฐิแล้วเอาไปปฏิบัติๆต่อจากเวทนาไปเป็นสมาธิ In the mission of the mission of the mission of the mission of the mission, there is an end of one. My move is a group called commitment Makar ini, we might meet the areokussurashit, and you should split it off to the mission of the mission. When the system of the mission is we conduct what the mission is in? I have an ให้มันเป็นเนกขมะสิตะอุเบกขาได้แล้วก็จึงสําเร็จเป็นแกนสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของผลสมาธิเป็นความตั้งมั่นของฌานสมาธิเป็นความตั้งมั่นของมนสิการๆ ในธมาตินั้นมีสติเป็นอธิปไตยมีปัญญาเป็นอุตตระมีมีสติเป็นอำนาจใหญ่รู้ทั้งนอก เป็นองค์รวมรู้ตัวทั่วพร้อมรอบนอกรอบในทั้งนอกทั้งในเข้าใจเร็วเท่าไหร่นานาสัมปชัญญะสัมปชาโนอยู่ๆเป็นมุทธภูตธาตุ อยู่เหนือโลกอยู่เหนือโลกิยะอยู่เหนืออย่างปุถุชนก็เป็นเหนือราบยศสรรเสริญโลกิยะ นะมันลึกกว่าออสโมสิสออสโมสิสนี่มันซึมซับยังมีเนื้อๆนะๆ อำนาจของโลกอำนาจของโลกีย์จะเป็นรูปรสกลิ่น เดี่ยวร้อยถึงขั้นบรรลุเป็นฐานนิพพานคืออุเบกขาอุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็ได้นะเรียกว่าอุเบกขาเป็นเนกขัมมสิตอุเบกขาก็ได้ได้อุเบกขา สัมปัดกับโลกกระทําอย่างไรก็หมดโอ้ไม่ไม่ไม่มีจนหมดหมดแบบไม่มีทุรีมองไม่มีทุรีเรืองอโศกวิรัชชะจริงๆ นะๆขอพูดอจินไตยนิดนึงยุคนี้อโศกอโศกะวิริชะยังไม่เก่งคืออะไรมองมองมนๆไม่ ไม่ค่อยสวยอย่างนี้แหละวิรัชะนี่เป็นเชิงสวยเชิงงามๆมองสกหมกนะบส มันลึกซึ้งยิ่งใหญ่อันนี้อยู่จึงไม่ตกอกตกใจอะไรเลย แรงนี่เวลาลูกลูกแรงนี่เค้ามาเจอศพสัตว์ซากสัตว์เค้าจะไม่กินนะหัวหน้าแรงลงมาพลึกจะยังไม่ เลยจริงเป็นจริงๆถ้าหัวมาเปิดงานแรงไม่มาปราบเพราะแรงนะจริงๆสรุปแล้วมาถึงเป็นแก่น เป็นสาระสาระมีแก่นมีสาระคือวิมุตติหลุดพ้นได้นะมีสติ คนที่มีสติมีปัญญาอย่างนี้เนี่ยสมควรๆ คุณสมบัติเป็นผู้บริหารเป็นผู้จัดการเป็นผู้ทํางานในโลกที่สมควรเป็นสุดยอดที่จะเป็นผู้นําเป็นผู้บริหาร หลับกว่าดียศก็ดีก็กามรูปรสกินเสียงสัมผัสก็กามก็ลดไปได้ละประมาณ 1 ไปเรื่อยๆจนกระทั่งในโลกโลกหยาบๆไม่ เกี่ยวข้องอสังสัคคะไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องโดยจิตนะไม่คลุกคลีเกี่ยวกายโดยร่างโดยสัมผัสอยู่นี้สัมผัสสัมพันธอย่างดีแล้วก็แต่จิต สติไม่เต็มอนาคามีเนี่ยไม่สติเต็มข้างนอกไม่นะสติจะแข็ง ไม่ว่าที่ไหนก็อยู่เนื้อหมดอ่าเอกราชตัวทั้ง เอกราชทั่วทั้งแผ่นดินเป็นคุณสมบัติของโสดาบันนะจริงเพราะ ไม่ใช่ปากเปล่าเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นพวกเรานี่ชาวโศกนี่เราสามารถทําให้ถึงแก่นอย่างน้อยโสดาก็ดีสกิทาก็ยิ่งดีขึ้นอนาคคก็ยิ่ง นั่นมันไล่ไม่ทันเลยเวลานี่ยังพูดไปไม่ถึงเอ่อเอ่อ 4:00 เต็มเอ่อเราสวดมนต์ไปเลย 4:00 4:00 ไปนิดหน่อยน่ะ 4:00 ไปกี่ นาฬิกาทําเร็วไป 2 นาทีองค์นี้ต่ออออยู่เรื่อยเลยว่าเร็วไปถ้าท่านเสียประโยชน์ 2 นาทีแต่ท่านได้ประโยชน์ท่านไม่ธรรมดาถ้าเราได้ประโยชน์เราก็ได้เราถ้าเราเสียเดี๋ยวจะเสียเวลาอีก พงศ์อมตะบุคคลนี้อาตมาจะได้ขยายบุคคลอมตะไม่ใช่คนประหลาดแต่บุคคลเนี่ยเดี๋ยวเย็นจะ ตายกิเลสอกุศลตัวตายตายได้สําเร็จเท่าไหร่ๆมีตายตายของอาการ 32 อาการขันธ์ 5 มันยังไม่ตายนะ รถผีร้ายลงไปเรื่อยๆถ้ายินเป็นอรหันต์เลยมีวิมุตติสมบูรณ์เป็นอมตะบุคคลเลยไม่มีกิเลสเกิดในจิตอีกเลยนั่นคือไม่มีความเกิดกิเลสจิตกิเลสเข้าไปเกิดในจิตของพระอรหันต์ ข้างนอกเนี่ยมันจะมาจัดเหยียดจะมาเกิดยังไงยังไงมาก็ขอเกิดไม่ได้ไม่ <c oughs> DNA ที่เป็น DNA ที่สมบูรณ์แบบไม่เชื้อเข้าเพราะไม่ พวกเอกนะจะได้มีภัยตังความต้านพวกความต้านทานต่ําอย่างพวกที่เป็นเอกไม่ใช่อย่างนี้ เธอby się przy் Resources pojawiać monks immediately for mainstream lovers o o no 이러 kommen will your los?! 2 أГ法 having kurwa is s exercised by you.보 whom.. bakalım.. ko deciding toåtmu phrain grossed plats na k NA w l 보살 ku dsdnherna'a dynamm attu 혼자 te tunaka Pink himself of shallowата mat...тр soybeanu ڈ Såclaps na wotzu mende tecnología po notch na estat crap Mondial ..�ack.. jIn if ..water ..un เกินกว่ามหัศจรรย์ที่จะเป็นไปได้นะมหัศจรรย์ที่เป็นไปได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ยอดมหัศจรรย์เพราะ เพราะฉะนั้นเราจะสร้างบุคคลเป็นอมตะเชิญนะผู้ใดมีศีลจง นะมุรณการกันไปพัฒนากันไปวิวัฒอภิวัฒนาการกันไปสู่ความ อย่างแท้จริงแท้จริงประเทศ 40 กว่า 45 ปีอย่างแล้วย่างให้ยาวนานถึงอายุ 151 ปีได้หรือไม่ได้ไม่รู้ I will try เอาเอวัง